เจ้าท่านกลับว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกสั้น ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทำปวงจํากายสังขารให้ลางับหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้จะสั้นจะยาวก็ปล่อยเป็นธรรมชาติของมันไม่ต้องไปสร้างจังหวะ บ, บังคับปรุงแต่งปรับเปลี่ยนเป็นแปลง การหายใจกต่อเป็นธรรมชาติเป็นเพียงเข้าไปรู้เฉยๆทั้งตัดว่าการไม่ลืมหลงในลมการที่ผู้นั้นไม่ลืมหลงในลมชื่อว่าเป็นสติสามโ้อชมการที่เราสามารถรู้ลมหายใจอยู่อย่างต่อเนื่อง ท่นกลับว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายการรู้ลมหายใจจึงที่ว่าเป็นการรู้กายของเราเป็นกายยตกาสติอาศัยกายคือลมเป็นที่ระลึกของสติ เมื่อละความเพลินในอารมณ์แล้วเอาความรู้มารู้อยู่กับอะไรก็คือให้รู้อยู่กับลมหายใจของเราถ้าไม่หาหลักหาที่ยึดที่เกาะให้กับจิตผู้รู้ผู้รู้ก็จะออกไปแสวงหาหลางณ์อื่นต่อไปท่านจิงถัดว่า ลมหายใจนี้หรือตัวกายนี้เป็นเสาเขือนเสาหลักอย่างดีของจิตให้อาศัยเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ท่านยังเรียกานาตานสติอีกอย่างว่าสถาคตทวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคต หรืออริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลตัวพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ใช้ตั้งแต่ก่อนตรัสรู้และหลังตรัสรู้แล้วก็ยังใช้เป็นพิหารธรรมเครื่องอยู่เกือบทุกครั้งที่จำพรรษาการยังให้สาวกทั้งหลายตอบคำถามปริพาชดุดถ้าถามว่า ทุกครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจำรรษาพระองค์อยู่ด้วยวิหารธรรมใดให้ตอบว่ากถาคุปอยู่ด้วยอาณาพาณสติหน้าที่ของเราทำเพียงให้ความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออก คนจิตผู้รู้นั้นบังทีมันก็ออกไปสแสวงหาารื่ออื่นๆนั่นเป็นธรรมชาติของมันไม่ต้องไปโมโหไม่พอใจไม่ชอบใจกับการที่มันออกไปรับรู้สิ่งอื่นว่านั่นเป็นหลักธรรมชาติของมัน ตาคนต่างทาหน้าที่จิตผู้รู้ก็ทําหน้าที่ออกไปแสแนอารมเรามีหน้าที่ฝึกหรือสร้างสติความระลึกได้กลับมาสู่ลมหายใจกลับมาสู่กายของเราเมื<ส>่อสติ<ค> เกิดขึ้นจิตที่กําลังเคลื่อนกับอารมณ์ก็จะดับลงไปเกิดความรู้ตัวขึ้นในปัจจุบันคือลมหายใจที่เราตั้งเอาไว้ความรู้ตัวในปัจจุบันที่อยู่กับลมหายใจอันนั้นเรียกว่าสัมปัจจะยะความรู้ตัว ผู้รู้หรือวิญญาณขันสติเป็นอาการของจิตเกิดขึ้นพักหนึ่งแล้วประดับไปครจะใกล้ควรในธรรมะในเรื่องการพิจารณากายให้เป็นของปฏิกูลเ่มนอกเปลยหรือว่าพิณาอาหาร เป็นของกติกุลก็ได้หรือจะรู้ลมหายใจต่อไปตลอดก็ได้วิธีในการพิจารณาว่าจะได้ไม่ได้ก็คือว่าถ้าเรายกกายหรืออาหารขึ้นมาพิจารณาแล้วพิจารณาได้จบไหมพิจารณาแล้วได้มาซึ่งปิติสุขหรือเปล่า ถ้าเกิดเราพิจารณาแล้วไม่จบจิตหลุดไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายครั้งเข้าก็ให้หยุดให้พอแสดงว่าจิตยังไม่มีความตั้งใจมั่นพอให้กลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมสร้างความตั้งใจมั่นสร้างสมาธิ ต, ตรงนี้ ให้เกิดขึ้นให้ดีเสียก่อนบางครั้งเราพิจารณาตั้งแต่หัวจดเท้าเท้าขึ้นหัวปาาาไปยังไม่ตะเลยจิตก็ไปรู้เรื่องอื่นอีกแวบออกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้พยายามใหม่เป็นอีกพยายามใหม่เป็นอีกก็ให้กลับมารู้ลมเข้าลมออกจะ พึ่งไปพิจารณาอะไรถ้าจิตเป็นสมาธิดีแล้วการพิจารณาของเราจะพิจารณาได้จบโดยจิตไม่ไปข้องแวะกับอารมณ์อื่นๆพิจารณากายก็จะมุ่งมั่นอยู่กับกายจนกระทั่งเกิด ความสลดสังเวชในกายเกิดติติเกิดความสุขขึ้นมาได้ก็ถือว่าจิตมีความเข้าใจมีความเชื่อมั่นในความเป็นอนิจจ์ความเป็นทุกขังในส่วนของกายขึ้นมาระดับหนึ่งสะสมตรงนี้ไปเรื่อยๆจิตก็จะค่อยๆ มีความแน่นหนาถาวรในความเชื่อมั่นตรงนี้มากขึ้นการปล่อยวางความยึดมั่นในกายก็จะมีมากขึ้นไปตามลำดับมันไม่ใช่อยู่ๆว่าเราจะสามารถปล่อยวางได้เลยทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตัดว่าเพราะความจางคลาย ดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชามันเป็นความจางคลายค่อยๆจางคลายไปความไม่รู้ค่อยๆจางคลายไปหมดไปหายไปก็เพราะเราสร้างความรู้ตามความเป็นจริงขึ้นมาตามลําดับลําดับถ้ารู้สึกลมหายใจไม่ชัดก็พยายามสวดลม สูดลมแรงๆสักสองสาครั้งสร้างความรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้เป็นการหายใจปกติต่อไปอีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นวิธีง่ายๆที่ทรงแนะนำ คือการเจริญสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าด้วยการเห็นการเกิดการดับของจิตในขณะที่จิตออกไปรับรู้อารมณ์อื่นให้เราเห็นว่าอารมณ์อื่นที่จิตออกไปรับรู้ก็มีการเกิดขึ้นเราเพลนไปสักพักหนึ่ง สามารถดึงกลับเข้ามารู้ลมหายใจได้นั่นแสดงว่าอารมณ์อันนั้นก็มีการดับไปจะเป็นอารมณ์ใดก็ตามจะเป็นความคิดในอดีตความคิดในอนาคตความคิดดีความคิดไม่ดีปุสนอกุศลทั้งหลายก็ตามหรือเป็นความรู้สึกอันเป็นสุขเป็นทุกข์ ล้วนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นเพียงเท่านี้เข้าใจเพียงเท่านี้และเห็นต่อไปว่ากายของเราคือลมที่จิตรู้อยู่ก็มีการดับไปและเกิดขึ้นใหม่เมื่อจิตผู้รู้ เข้ามารู้ในลมอีกครั้งหนึ่งทำเท่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นการเกิดดับของลูกและนามธรรมทั้งหลายมุมมองที่จะเห็นตรงนี้ให้เริ่มในขณะที่จิตของเราไม่มีความคิดอกุศลทั้งหลาย จิตที่ไม่มีความคิดอาคุศนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกตรงนั้นว่าฌานที่หนึ่งเป็นความสงบในระดับที่หนึ่งจิตไราสจากอาุศลความคิดในทางตามพยาบาทเบียเดเบียนเป็นจิตที่พร้อมเพียงพอ เป็นจิตที่มีความพร้อมขั้นต่างที่สุดที่จะพอเห็นการเกิดการดับของอารมณ์ของจิตของกายได้แม่มุมมองตรงนี้ถ้าเราพิจารณาให้ดีเราจะได้ข้อสรุปมากมายเช่นจะรู้ว่ารูป มีขึ้นได้เพราะว่าจิตมารับรู้ถ้าจิตไม่รับรู้ลูกรูกก็เท่ากับไม่มีอารมณ์ทั้งหลายมีได้เพราะว่าจิตไปรับรู้ถ้าจิตไม่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายก็ไม่มีเช่นเดียวกันเราจรึงสามารถสรุปได้อีกว่าลูก และนามทั้งหลายเกิดได้เพราะจิตหรือวิญญาณ น, นั่นเองถ้าจิตหรือวิญญาณไม่เข้าไปรับรู้ธรรมชาติเหล่านี้ธรรมชาติเหล่านี้ก็เท่ากับว่าไม่มีถึงแม้มันจะมีอยู่ก็ตามการมีหรือการไม่มีของธรรมชาติเหล่านี้หมายเอาการมี หรือไม่มีในความรู้ของจิตเป็นการเกิดดับในภายในอย่างละเอียดสรุปได้อีกว่าจิตเป็นตัวสร้างลูกนามขึ้นมาด้วยการเข้าไปยึดเข้าไปเกาะเข้าไปเกี่ยวเข้าไปตั้งไว้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกว่าตัวรูปนามเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นอาหารของจิตเป็นอารมณ์ของจิตที่เรียกว่าวิญญาณภิติฐานที่ตั้งของวิญญาณคือรูปเวทนาสัญญาสังขารสีธรรมชาตินี้ เป็นอารมณ์ของจิตเราจะนั่งสมาธิไปกี่ิ0ปีก็ตามย้อนมาดูจิตจะรับรู้ได้แค่สีธรรมชาติเหล่านี้เท่านั้นไม่รู้เลยไปจากอย่างอื่นนี่ก็เป็นความรู้ที่เราจะได้จากเพียงแค่การดูลมหายใจเข้าออกเท่านี้ เป็นธรรมชาติที่ว่าเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆลมหายใจจะรู้สึกว่าละเอียดขึ้นเบาขึ้นละเอียดขึ้นเบาขึ้นเรื่อยๆจะรู้สึกว่ากายเบาจิตใจเบา ในบางครั้งเหมือนว่าจะจับความรู้สึกในลมไม่ได้และถ้าละเอียดขึ้นไปถึงอีกระดับหนึ่ง mm. ก็จะเกิดความรู้เพียงอย่างเดียว mm. ก็ไม่ต้องวิ่งกลับมาหาลมหายใจ รับตัวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงฌานที่สี่ก็ให้เราท่งความรู้อยู่กับความรู้เฉยๆของรูปของนามได้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตั้นตรัสว่า ไม่มีอะไรที่อรยะสา ว, วกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ท่านให้ทำเพียงเท่านี้จนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นหนึ่งในหลายๆวิธีถ้าเราเดินวิธีนี้ขนัดทำได้แล้วก็เดินวิธีนี้ไปเรื่อยๆ ส่วนใครจะเดินมักวิธีด้วยการคิดพิจารณาร่างกายให้เป็นของเน่าเปื่อยหรือพิจารณาอาหารให้เป็นของปฏิกูลก็เป็นอีกมักวิธีที่แยกออกไปผลสุดท้ายของการพิจารณาตรงนี้ ท่านตัดว่าบุคคลผู้นั้นสามารถละสังโยชน์อ้าเบื้องต่าได้เป็นได้ถึงอนาคามีบุคคลจากมันวิธีนี้ต้องเปลี่ยนมาเห็นการเกิดดับของนามธรรมตัวจิตตัวอารมณ์ก็อยู่ที่กำลังสติกำลังสมาธิ ของผู้ใดถ้ายังไม่สามารถทิ้งความคิดได้ดังปรารถนาท่านก็ให้หยิบความคิดมาใช้ก่อนก็ได้ด้วยการน้อมไปคิดในเรื่องที่เป็นกุศลถ้าการทิ้งความคิด เป็นเรื่องยากสำหรับเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีหยิบความคิดมาใช้ก่อนแต่ใช้ไปในเรื่องกุศลรักผู้มีพระภาคเจ้าให้คิดไปในเรื่องกุศลเช่นการพิจารณากายให้เห็นโทษของกายให้เป็นของไม่งามให้เป็นเพียนธาตุสีดินน้ำไฟลม หรือคิดพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหารสองเรื่องที่ท่านเน้นถ้าความคิดอกุศลยังไม่ดับไปวิธีต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าให้พิจารณาไครควนโทษของความคิดอกุศล น, นั้นว่า ความคิดอกุศลอันนี้มีโทษไม่ประกอบด้วยประโยชน์เมื่อให้ครควนโทษของความคิดอกุศลแล้วความคิดอกุศลย่อมดับไปหายไปถ้าความคิดอกุศลยังไม่หายไป ท่านให้ทดลองนึกถึงสิ่งที่เราเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งที่เราเรื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งจกเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งปิติซึ่งความสุขซึ่งความตั้งมั่นของจิตนี่ก็จะอธิบายวิธีแก้ หลายๆลายแปดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำเอาไว้ถ้าเราจะลองใคร้ครวญในจุดที่เรามีอยู่เป็นอยู่เช่นเราพิจารณาใ ค, าควร้ครวญว่า ลมหายใจมีความรู้สึกอะไรหรือไม่ตัวลมหายใจไม่ได้มีความรู้สึกอะไรลมที่พัดไปมาข้างนอกลมที่เข้าออกในร่างกายเราก็เส ม, มอเหมือนกันไม่มีความรู้อะไรแต่ใครเป็นคนรู้ว่ามีลมเข้าลมออกอยู่ นั่นก็คือจิตผู้รู้ของเราเป็นผู้รู้เฉยๆเป็นผู้รู้เท่านั้นรู้นิ่งๆไม่ใช่ผู้คิดเราจะรู้จักวิญญาณขันหรือจิตหรือใจว่าผู้รู้เฉยๆนั้นเป็นอย่างไร เวลาคิดไม่ใช่ผู้รู้แต่นั่นคือผู้รู้ไปรับรู้ธรรมชาติคือความคิดขณะที่จำได้ในเรื่องอดีตขณะนั้นผู้รู้ออกไปรับรู้ตัวความจำคือสัญญาขันเราให้ควรตรงนี้ก็จะเห็นการเกิดการดับของตัวจิต ร่างกายยังไม่ได้ตายไปไหนแต่ทําไมความรู้จากร่างกายหายไปนั่นก็คือตัวจิตมีการดับไปและออกไปรู้อารมณ์อื่นขณะที่รู้อารมณ์อื่นจิตจะไม่รู้ลมหายใจเราได้ความรู้ขึ้นอีกว่าจิต รับรู้ได้ทีละธรรมชาติไม่สามารถรับรู้ได้หลายๆธรรมชาติพร้อมกันแต่อาศัยการเกิดการดับไปรับรู้ทีละธรรมชาตินี่เราก็จะสรุปคุณสมบัติของจิตได้อีกประการหนึ่งนี่เป็นความรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าเป็น อสสาระญานคือญาณที่ไม่มีเกิดขึ้นโดยทั่วๆไปในคนทั่วๆไปมีเฉพาะผู้ที่มาเฝ้าดูฝ้าสังเกตจิตของเราความรู้ <c oughs> ตรงนี้เรียกว่าเราเป็นผู้ฉลาดในวารจิตของเราฉลาดในกระบวนการของจิตรู้เห็นการเกิด การดับของจิตการสร้างภพภูมิของจิตจิตออกไปรับรู้นั่นคือจิตมีการเกิดจิตปล่อยการรับรู้ไปรับรู้อารมณ์อื่นเรียกว่าจิตมีการดับและไปเกิดในอารมณ์อื่นต่อไปอีกเราจะเห็นการเกิดการดับของจิตตัวผู้รู้อยู่อย่างต่อเนื่อง เมื่อรู้เห็นการเกิดดับของจิตนานๆเข้าย่อมที่จะมีปัญญาเกิดความเข้าใจว่าจิตเป็นอนัตตาจิตไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นตัวตนชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่ต่างจากฟองน้ำหรือพยับแดดที่มีแล้วก็หายไปมีแล้วก็หายไป หาความเป็นสาระไม่ได้และเกิดความเข้าใจอีกว่าแม้เราจะตั้งความอยากให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวเพียงขนาดไหนแต่จิตก็ไม่ได้อยู่ภายใต้ความควบคุมภายใต้การบังคับของเราเลย แต่มันจะเกิดดับไปเองตามเรื่องของมันตามธรรมชาติของมันเท่านั้นนั่นแสดงว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เป็นเรามันไม่ใช่ตัวตนของเรานี่เป็นปัญญาที่จะได้เมื่อเห็นความเป็นอนิจจังของมันความเป็นอนัตตาของมัน พระผู้มีพระภาพเจ้าเรียกว่าเมตัมะมะเนโสโฮ ม, มัสสมินะเมโสอัตตาเนตัมะมะหมายถึงนั่นไม่ใช่ของเราเนโสโฮ ม, มัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราความเข้าใจตรงนี้เป็นเหตุให้เราเป็นเพียงผู้ดู การเกิดดับของจิตเฉยๆเป็นเพียงผู้ดูการเกิดดับของอารมณ์เฉยๆโดยที่ไม่เข้าไปเป็นตัวจิตและไม่เข้าไปเป็นอารมณ์เดี๋ยวต่อไปจะให้สลับเป็นการเดินจนกลมจนกระทั่งถึงประมาณ ก่อนบ่ายสมโมงสักเล็กน้อยจะให้เปลี่ยนรีบบทแล้วก็ได้มาตอบถามปัญหากันสักเล็กน้อยให้ความรู้นั้นตั้งมั่นอยู่กับกายคอยระมัดระวังเมื่อความรู้เคลื่อนออกจากกายไป ให้มีความรู้ตัวดึงความรู้กลับเข้ามาในกายอีกครั้งหนึ่งโดยอาศัยการที่เท้าเราสัมผัสพื้นเป็นความรู้อาศัยผัสสะตรงนี้กายสัมผัสตรงนี้ เป็นเครื่องดิงความรู้ของเราการรู้อยู่ในทุกสัมผัสย่างก้าวนั้นก็ชื่อว่าเรารู้อยู่กับปัจจุบันเป็นการทรงจิตอยู่กับปัจจุบันชื่อว่าได้ปฏิบัติตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รตรัสเอาไว้ คือให้จิตของเราอยู่กับปัจจุบันอย่าให้อยู่กับอดีตหรืออนาคตถ้าไปรู้อยู่กับอดีตหรืออนาคตหรือความรู้สึกอันเป็นสุขเป็นทุกข์ให้ละความเพลินในอารมณ์นั้นนั้นเสีย ขณะที่เราละความเพลินนั่นก็คือเราละความพอใจในธรรมชาตินั้ น, น, นได้การที่เราไปเพลินไปรับรู้นั่นหมายถึงเราพอใจในธรรมชาตินั้นแล้วถึงเราบอกว่าเราไม่ได้พอใจแต่จิตไปเกาะไปสร้างอารมณ์นั่นคือเราพอใจนี่เป็นวิธี ที่ท่าให้สังเกตความพอใจคือการที่จิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินเป็นผู้มีปกติเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆไม่ว่าจะเป็นการเห็นการยินการได้รับรู้ทางกลิ่นการสัมผัสทางกายหรือการรับรู้ ทำอารมณ์ทางใจขึ้นมาก็ตามการเพลินในการมองการเพลินในการได้ยินได้ฟังการเพลินในการสัมผัสรับรู้ในทุกๆอายตนะท่านให้ฝึกทิ้งแล้วกลับมารู้อยู่กับปัจจุบันนะคือสัมผัสทางกายณนะเวลานี้ มีบางคนอาจสงสัยว่าแล้วการมารู้อยู่กับปัจจุบันตรงนี้ไม่เป็นความเพลินหรือท่านก็ว่าใช่อยู่เป็นความเพลินแต่ให้เพลินให้พอใจอยู่กับปัจจุบันเสียก่อนเป็นลำดับขั้นในการที่จะละซึ่งอารมณ์ต่างๆ เมื่อสามารถสร้างความเป็นปัจจุบันได้เป็นปกติแล้วเราจึงจะสามารถพิจรารณาความเป็นปัจจุบันนี้ต่อไปได้เพราะความเป็นปัจจุบันนั้นทรงได้ยากรักษาได้ยากทำให้เกิดขึ้นได้ยากเราจึงไม่มีโอกาส ที่จะพิจารณาเห็นการเกิดดับของปัจจุบันเพราะจิตโม่แต่ไปแสวงหาอารมณ์อื่นๆเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกทิ้งอารมณ์อื่นแล้วสร้างความเป็นปัจจุบันขึ้นมาให้ได้เป็นปกติเมื่อได้เป็นปกติแล้วผู้นั้นจึงจะพิจารณา ถ่ายถอนความยึดมั่นในปัจจุบันด้วยการเห็นการเกิดการดับความไม่ใช่ตัวตนของผู้รู้ในปัจจุบันอีกทีหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกท่านตอนนี้ว่าเป็นการละอวิชานุใสอวิชานุใสคือความไม่รู้ความเคยชินในการใช้ ผูรู้ในการใช้ขันมักวิธีนี้มักวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่สั้นและง่ายในความเห็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าถ้าเราลักความเพือนได้นั่นคือเราลักความพอใจได้ด้วยถ้าเราลักความพอใจได้นั่นก็คือ เราสามารถละความเพลินออกไปได้ถ้าเราสามารถละความเพลินและความพอใจได้ในทุกๆขันทุกๆธรรมชาติทุกๆอายตนะจิตสามารถหลุดพ้นจากกองทุกได้ทั้งปวงนันทิคือความเพลินนันทิแปลว่าความเพลิน นั่นที่นั้นเกิดขึ้นในอารมณ์ทุกๆอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เป็นกุศลใกล้ ค, ควรธรรมะหรือความคิดที่เป็นอกุศลใกล้ ค, ควรเรื่องที่เป็นการพยายบาทเบียเดเบียนก็ตามล้วนเป็นสิ่งที่ท่านให้ละทั้งสิน้นเป็นมรรคพิธีอย่างละเอียด โดยใช้หลักเหตุผลในลักษณะของปฏิจจสมุปาทคือรักภพคือสถานที่เกิดของจิตนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมไม่ต้องใช้การคิ ด, ก า, ค ด, า ก, าคดการพิจรารณาเพราะการคิดการพิจารณานั่นก็คือการที่จิตหยิบขันหยิบธรรมชาติที่เกิดจับมาใช้อีกนั่นเองเมื่อจิต หยิบขันหยิบธรรมชาติใดมาใช้ก็ตามเท่ากับว่าจิตยังมีการเกิดจิตมีการเกิดจิตจะเดินไปสู่ชลาและมรณะความแก่และความตายวิธีแก้ชลาและมรณะพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ไปดับที่ต้นเหตุสาเหตุของความแก่และความตายคือการเกิด เมื่อสร้างการเกิดท่านจึงให้ทิ้งให้ละในทันทีให้ละสถานที่เกิดของจิตคือตัวรูปนามเมื่อจิตไปรับรู้ไปเกาะไปเกี่ยวไปตั้งอยู่ซึ่งอารมณ์ใดนั่นคือจิตสร้างพบในสถานที่เกิดขึ้นแล้วให้ทิ้งพบสถานที่เกิดของจิตในทันที จะทำให้ชาติคือการเกิดของจิตจเจริญงอกงามไพ่บุ์ต่อไปไม่ได้เมื่อจิตไม่สามารถสร้างชาติคือการเกิดได้ท่านก็จัสว่าชลาและมรณนะจะมีขึ้นมาได้อย่างไรถ้าร่างกายเราแตกดับลงไปณขณะนี้จิตซึ่งจะไปสร้าง พบสถานที่เกิดต่อไปก็ไม่สามารถที่จะสร้างได้เพราะเรามีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่สร้างพบอยู่สถานที่เกิดของจิตต่อไปอีกความแก่และความตายของเราก็ถือว่าจบไปที่เรียกว่าชาติสิ้นแล้วรมอาจา ร, รย์อยู่จบแล้ว การประพฤติปฏิบัติของเราสิ้นสุดแล้วถ้าทำได้อย่างนี้กิจอื่นๆที่จะต้องทำเพื่อความเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีอีกต่อไปถือว่าจบภารกิจของการประพฤติปฏิบัติผู้นั้นย่อมที่จะรู้ตัวเองว่าการเกิดของเราสิ้นแล้วเพราะว่า วัตั์ภายในจิตไม่มีการเกิดดับภายในจิ ต, น, จตนั้นไม่มีแล้วจะต้องรอให้ใครมาบอกว่าการเกิดของเรามีหรือไม่มีตัวเองก็จะเป็นประจับพยานายตัวเองไดนะ้โดยไม่ต้องถามใครถ้าร่างกายเราจะแตกดับณเวลานี้ก็ให้เราสมงจิต ทำจิตอยู่อย่างนี้นั่นแหละเหมือนกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสแก่พิสุผู้ใกล้จะถึงการมรณนะในลงพิสุให้ว่าพิสุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการตาย การมีสติและสัมปชัญญะทำอย่างไรผู้มีพระพาพเจ้าก็อธิบายถึงการเจริญสติปัฏฐาน4คือการกระทำอย่างที่เราทำอยู่ณขณะนี้ก็เป็นหนึ่งในสติปัฏฐาน4คือการเจริญซึ่งกายามุปสนาสติปัฏฐานหรือใคร ที่ขนะดนี้รู้อยู่ซึ่งความนิ่งความเฉยก็ชื่อว่าเป็นการเจริญซึ่งเวทนาลุปัสนาสติปฐานหรือใครรู้อยู่ซึ่งตัวผู้รู้คือจิตที่รู้อยู่ในกายโดยที่ไม่ได้มุ่งความหมายไปที่กายก็ชื่อว่าเป็นจิตตาลุปัสนาสติปฐานหรือใครรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งธรรมชาติทั้งหลายที่จิตเข้าไปเกาะเกี่ยวไปรับรู้แล้วเห็นการจางคลายความดับไปของมันก็ชื่อว่าผู้นั้นเจริญซึ่งธรรมานุปสนาสติปัฏฐานตัวสติปัฏฐานทั้งสี่นะจึงเกิดขึ้นครบในขณะที่เรานะกระธรรมอยู่ขณะนี้อยู่ที่ปัญญามุมมองของผู้ใด จะเพ่งมองไปที่อาการใดอาการของกายอาการของเวทนาอาการของจิตหรืออาการของธรรมทั้งหลายที่จิตเข้าไปรับรู้เกาะเกี่ยวนี้จึงเป็นวิธีการวางจิตในขณะที่เราเจ็บป่วยใกล้จะเสียชีวิตนะเราก็ทําเท่านี้นะจเจริญอยู่เท่านี้ เพื่อไม่ให้จิตนั้นไปสร้างพบภูมิีกตต่อไปจิตที่หมดความอยากความพอใจในการสร้างพบคูมิก็เรียกว่าจิตไม่มีการมาการไปเพราะหมดตัณหาคือความอยากความน้อมไปนั่นเองรับผู้มีพระภาคเจ้าจึงจกับาวว่าเมื่อความน้อมไปไม่มี การมาและการไปย่อมไม่มีเมื่อการมาการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีเมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มีท่านตรัดว่าอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกสะนั่นแหละ คือที ayo, ่สุดของฟัาทุก